เดินพอดาโยมสาธิชนเท่าไหร่วันนี้อาตมาจะแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังแต่ว่าธรรมะความรู้ห ล, หลายด้านนั้นเราได้อ่านได้ศึกษาแล้วแต่ข้อสำคัญการปฏิบัติตามคำสอนของพรูเจ้ารือฝึกปฏิบัติทางจิต เ, เราทำยังไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนำ วิธีปฏิบัติให้ทุกคนนั่งปฏิบัติด้วยฟังทำไปด้วย <c oughs> เอามือขวางหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตาหลับตากำหนดภาวนาดูลมหายใจออกหายใจเข้า ลมหายใจออกเราสามารถกาหนดรู้ได้ไหมถ้ารู้ไม่ได้หายใจลึกๆดูหายใจลึ ก, ล, ก, ล, กลมกระทบตรงไหนในจมูกของเราให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นไม่ว่าลมกออกหรือลมเข้าก็ตาม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 เราก็ตั้งสติไว้ตรงนั้นแหละตั้งสติไว้ตรงที่ลมออกลมเข้าแหล่ะกระทบตรงไหนรู้อยู่ตรงนั้นเราจะรู้อยู่ตรงนั้นให้สังเกตให้ดีจะเห็นว่าลมผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าออมันค่อยละเอียดกัไปเรื่อยๆ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 จิตใจเราก็จะรวมลงไปเป็นหนึ่งพอมันรรวมลงไปเป็นหนึ่งแล้วมันจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างลนว น, นี้วันห้ามันสงบลงธรรมะก็ผุดโผลขึ้นมาสมาธิก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอะไรแบบนี้พอเข้าสมาธิปับ๊บจิตก็รวมวั๊บทันที ก็สู้ได้กับความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบใจเราเราก็รู้ได้สามารถชำระได้ชำระไม่ให้ขุนงัวขึ้นบาพออะไรเข้าไปปั๊บมันไม่แตกว้จิตของเราถ้ามันถ้ามันมีพลังแล้วเนี่ยมันไม่แตกมันใสสว่างเู่ที่ว่าพระพุทธเจ้าว่าทำจิตให้ผ่องใสนังไงอือ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 พอมันถึงจุดของมันแล้วอนาปานันส้สติก็ดีลมหายใจก็ดีหรืออะไรต่างๆที่เราเอามาก็นหนดนี่มันหมดทาที่แล้วกามปฏิบัติต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเราเนี่หรือว่าในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่40วิธีใหญ่ๆแต่เราเอาวันเดียวเราเอาลมหายใ จ, จเฉลี่ วิธีไหนดีหมดอ่ะขอให้ทำจริงจริง ด, ดีทั้งหมดไม่ว่าสัมมาละหังทุกบนอะพองหนอพุทโธหรืออนาปานสติมันดีทั้งนั้นขอให้เราทําจริงพอเราทําถึงที่แล้วความรู้สึกที่ว่าลมหายใจมันก็ดับไปมันมีแต่รู้อยู่อย่างเดียวสว่างสวัยอยู่ภายใน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 ถ้ากําหนดไม่ได้ให้คอยดูคอยดูวลมเข้าคอยดูลมออกอยู่ที่จมูกขยับเข้าไปตรงกลางจมูกถนันดพอดีถ้าเอาไว้นอกมันไม่สงบก็ขยับเข้าไปข้างในคอยรู้คอยเห็นดูอย่างนั้นนหะรู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกตรงนั้นสั้นยาวก็อย่าเพิ่งกําหนดอะไรต่างๆสงบระงับตายสั้นๆไดต่างๆก็ไม่ต้อง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 มันเป็นธรรมชาติของมันเราบอกลมเข้ามันเป็นธรรมชาติของมันให้คอยรู้เห็นอยู่หเห็นลงไปเห็นลงไปตามนั้นแะตั้งอยู่เห็นมันตั้งตรงนี้และรู้รู้ได้อยู่ตรงนี้ก็จับความรู้สึกนั้นละไว้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 ถ้าหัดใจให้สงบได้มันเป็นสุขเป็นสุขภายในใจของเราเลยเนี่ยคอยหักไปจะพึ่งรีบร้อนจะพึ่งอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้หรืว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราได้พระอริยบุคคลได้อ ย, อย่าง เราได้โสดาบันหรื อ, อยังเราได้สกทธคามีหรื อ, อยังเราได้อนาคามีหรื อ, อยังเราได้อรหันต์หรื อ, อยังอันนี้จะพึ่าไปสงสัยถ้าได้มันต้องรู้ด้วยใจของเราเองพอมันถึงจุดไหนตรงไหนมันรู้มันเห็นชัดมันรู้ของมันเอง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 ควมไม่เที่ยงที่มีอยู่ในตัวเราเป็นยังไงเกิดขึ้นอาศัยมีลามาันดาเกิดขึ้นตอนมาเกิดเนตัวเล็กนี้เดียวหลวงปู่เทศว่าเอาปลายยาทาจุ่มลงไปแล้วสลัดเก็ดข้าง เดครั้งนี้หละที่เหลืออยู่ที่ปลายยอขาหนึ่ตัวนั้นแหละไปถือปฏิสนธิไปเกิดก็ค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นรั่วแก่ขึ้นไปเรื่อยๆจากก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปรญจสาขาแขนสองขาสองชีษะดหนึ่งบรรจสาขาแล้วค่อย มีผมมีเล็บมีขนเะ่ยพอเจริญขึ้นเรื่อยเรื่อยจนถึงเก้าเดือนสิเดือนก็ขอจากคันมารดาข้อจากคันมารด า, า, า, ดาวีดามารดาเป็นผู้มีคนมากเลี้ยงดูเราไว้ไม่ให้ตายให้น้ำให้ข้าว ให้กินให้ได้นอนให้มีผ้าห่บเราช่วยตัวเองไม่ได้ในะตอนนั้นความแก่ขึ้นหาเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนปีสองปีสามปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีนี่เป็นอย่างนี้ลเลื่อยไปจนถึงแปดสิบเก้าสิบอันนี้ก็เริ่ม หาถามลงแล้วถ้าถึงแปดสิบเก้าสิบแล้วแต่ว่าผู้ที่ทาบุญไว้เด็อายุยืนอายุวัฏธโกคนทำบุญไว้อายุยืนคณะวัฏธโกคนทาบุญไว้มีสมาคร อ, อายุก็แก่สลาในสุดก็ต้องตายจากโลกนี้ไป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 เขาไปเผามันเป็นยังไงมันเหลืออะไรอยู่เหลือเท่ากับกระดูกนี่ gọi เหลือเท่ากับฐานฐานก็คือกระดูกของเราเท่าคือเนื้อหนังมังสาอาวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆตายเป็นฝุ่นเป็นผงไปเอาความเป็นฝุ่นเป็นผงนั้นบดให้ละเอียดทั้งมดทั้งกระดูกทั้ง ฝุ่นเหล่านั้นบดให้ละเอียดพอเราบดละเอียดแล้วเราใส่ถาดสลัดขึ้นบนฟ้าควรขโมงเลยตัวเราไปไหนความเลยนะตัวเรางอหาที่ยึดที่ติดไม่มีแล้วอันนี้นั่นแหละ กายเราเป็นอย่างนี้ส่วนใจนั้นยังอ ย, งอยู่เกิดสืบต่อไปเรื่อยๆ เ, เรามีบุญมีบุสนได้สั่งสมความดีเอาไว้อายุก็ยืนยาวยืนยาวมีความสุขความเจริญมีใล เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าป้อนเที่ยงเป็นยังไงอายุปัตตุบันนี้กับอายุที่ยังหนุ่มยังสาวเป็นยังไงความสุขความทุกข์อะไรเป็นยังไงเราจะสังเกตเข้ามาที่ตัวเราได้เลยว่าโอ้แต่ก้อนเราก็อยู่วัยหนุ่มวัยสาวจะทําอะไรเดินเถือนมันสะดวกสบายหมดทุกอย่าง แต่บัดนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เดินก็ยากทำอะไรก็ยากเหน็ดเหนื่อยง่ายนั่นคือมันค่อยตัดไปตัดไปเพีเล็กแน้อยความไม่เที่ยงมันเป็นอยงนั้นน่ะเราเห็นความไม่เที่ยงในตัวตวนของเราเราเห็นความไม่เที่ยงในตัวตวนของเราเราว่าตัวนี้เป็นตัวของเราเป็นกายของเรา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 แต่ว่าไม่ได้สั่งสมความดีอะไรเลยศีลไม่รักษาภาวนาไม่ปฏิบัติจเจ้าอะไรเป็นสิ่งที่นําชีวิตจิตใจของเราให้สูงส่งได้ทรัพย์ ส, สินสมบัติเงินทองเข้าของที่เรามีอยู่นี่มากมายก็ตามในที่สุด ก, ก็ต้องเป็นของคนอื่นไปพอเราห่วงหาอะไรห่วงหาอะไรอยู่ตลอดเวลาห่วงเห็นอยู่ตลอดเวลา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 ไม่ใช่ทำให้คนทำให้ตัวของเรานี่แหละตัวของเรานี่แหละสาคัญต้องทำในที่เราทัพย์สินก็แบบเราก็มีเยอะอยากได้ไมาอีกให้มากกว่านี้อย่างนั้นก็คิดถูกแล้วแต่ ว, ว่าถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำอุศนไรหนึ่งยังคือคิดผิดอยู่ มีแต่อยากได้แต่ไม่บริจาคสร้างสมุนําความดีอันเดนสบัติของเราไว้เลยมันเสียท่าตรงนี้เลยคนเรานะ่ยตายไปแล้วจึงคิดได้ตายไปแล้วจึงรู้ว่าโอ้เราทําบุญไว้น้อยเราทําบุญส่นไว้น้อยสร้างสมบาตมีไว้น้อยเรามาได้สอนชั้นนี่ก็ดีกว่าก็ยังดีอยู่ดีกว่าเราไปตนนกนรก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 ที่เชื่อว่าสันสีว่าเป็นนรกขุมแรกขุมที่สองคือการอสุตานรกขุมที่สามคือสังขารนรกขุมที่สี่คือโลโลนรกขุมที่ห้ามหาโลโลนรกขุมขุมที่หกตาปานรกขุมที่เจ็ดมหาตาปานรกขุมที่แปด เอาไปกีมหาลโลกนี่ผู้มีจิตใจเศร้าหมองต้องไปสู่มหาลโลกไม่ว่าคุมใดก็คุมหนึ่งถ้ามีบาปมากบุญนไม่มีก็ไปสู่นรกที่ตัล ง, งไปเรื่อยๆอยามีบาปฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำร้ายพุ้ธเจ้าจนพระโลหิตพ่อฆ่าพระละหัน จังสงให้แตกกันเป็นพักเป็นฝ่ายอันนั้นเป็นบาปหนักแก้ไขไม่ได้เลยตายแล้วต้องไปสู่มหานรกชื่อว่าไอเวกจีมหานรกนั้นนี่แหละเราทำความดีอยู่นี่เราทำเพื่อหาความสุขให้กับตัวเราการฝึกสมาธิก็เหมือนกัน นั่นแหละหาความสุขให้เจ้าของบางท่านบางคนภาวนาหลุดพ้นไปอย่างในวันนี้ฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามในที่สุดก็ได้ถึงคุณธรรมในพุทธศาสนาเป็นพระโสดาบันว่างเป็นพระสักิทาคามีบ้างเป็นพระอน า, าคามีบ้างเป็นพระอาหารหันต์างนี่ พอเรเป็นผ้าหลังจิตเราเขาบริสุทธิ์ไม่มีฝนไม่มีอาสวะไม่มีอะไรเขาไปอยู่ในนั้นเลยกระทบอารมณ์ก็ไม่หวั่นไหวไม่แตกกระจายจิตใสบริสุทธิ์ไม่เอียงใช่เอียงขว่าไม่มีหน้าไม่มีหลังไม่มีโทษไม่มีสุขอยู่ในนั้นเป็นหนึ่งเดียวอยู่จิตตรงนั้นถ้าแตกดับปั๊บ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 ไม่ไปเกิดในภพไหนภูมิไหนอีกต่อไปแต่ผู้ที่ยังไม่ถึงชั้นนั้นเราทำบุญดับูชนสังสมความดีอยู่สร้างบารมีอยู่หัดจิตของตนให้สงบอยู่อันนี้เราไปสวรรค์ก็ได้ไปพรมโลกก็ได้ถ้าบุญเรามากบารมีเราสูงส่งไปพระนิพพานก็ได้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 ก็จะประสบความสุขความสำเร็จภายในใจของท่านต่อไป